เมื่อได้ไปทำการสืบสวนกันหนะ้าที่ทำการตำบนปรากฏว่าหลักฐานการเกิดตายก่อนปีพุทธศักราช2455ไม่ได้ทำกันไว้ดังนั้นการค้นคว้าต่อไปจึงต้องอาศัยหลักฐานจากโฉนดเก่าๆและในที่สุดก็พบสำเนาโฉนดฉบับหนึ่งซึ่งมีชื่อแมรี่พาเวลหรือชื่อคุณย่าของโจนาธานอยู่ในปีพุทธศักราช2346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 ซึ่งจาริกสอนศาสนาไปยังเมืองต่างๆและได้เดินทางมายังเมืองเจฟเฟสันในสมัยนั้นได้อย่างถูกต้องแม่น้ำที่มีชื่อว่าแซลฟอร์ดตามที่อ้างถึงก็มีอยู่จริงแม้จะไม่ปรากฏในแผนที่ที่ได้ตรวจสอบและสืบสวนกันในครั้งแรกก็ตามนอกจากนั้น